ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรักิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวารรจนาต่อไปจะเป็นสุดที่กะปาจิตตีในวัดสุดท้ายคือราชาวัดที่เก้าระดับด้วยสิกขาบทสิ อันเตปุระศิกษาบทที่หนึ่งความว่าพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นชาติกษัตริย์ได้มูรทาพิเตกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทั้งพระแม่เหสีด้วยอยู่ในห้องที่บรรทมทั้งสององค์องใดองคหนึ่งยังไม่เสด็จออกและทิกจุใดไม่ให้ทูลให้ทรงทราบก่อนล่วงธรณีพระทวารห้องพระบรรทมเข้าไปเท้าทีแรกเป็นทุกกดเท้าที่สองเป็นปาจิตตีถ้าจะเข้าไปหา ในวังในห้องพระราช า, าท่านมเหสียังอยู่ด้วยนี่ยังไม่บอกให้รู้ก่อนที่ต้องบัตรประจิตีสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นกฐินนะ้ำสมุทฐานมีสมุทฐานสองคือกายวาจาย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยะกิริยาต้องพราะธรรมก็คือการเดินเข้าไปแล้วก็อากากิริยาคือไม่บอกโนสัญญูโมกขจิตตกะปันนติวัชชะกกรรมวิจิกามีจิตสามเวทนาสามเราไปในรถตนักสิก ข, ขาบทที่สองความว่า ทิดถือเอาเองหรือให้ผู้อื่นถือเอาซึ่งรัตนะมีแก้มุกดาดเป็นต้นหรือของสมมุติว่าเป็นรัตนะถือของใช้สอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแห่งมนุษย์ซึ่งเขาลืมตกอยู่ในแผ่นดินที่อื่นพ้นจากภายในอาดามและภายในที่พักอาศัยอยู่เป็นปาจิ ต, ติเป็นปาจิ ต, ติีนะจะตกนอกวัดยินดีเก็บของเขาไม่ได้นะถือเอาเองหรือให้ผู้อื่นถือเอาซึ่งทองและเงินเพื่อตัวเองต่อบันนิสกิยาปาจิติี เพื่อสงถ้าให้เพื่อสงจะเก็บเอามาเพื่อสงเพื่อคณะบุคคล D, แมจะดีแม้นวกรรมก็เป็นทุกกฎในแก้มุกดาเป็นต้นนอกนั้นเพื่อตนหรือว่าผู้อื่นทั้งปวงก็เป็นทุกกฎั้ำสิ้นถ้าเป็นวัตถุของทุกกฎนี่นะก็บัรทุกกฎจะไปเก็บม า, า, ากับอิยาวัตถุหรือว่าอกับอิยาวัตถุโดยที่สุดแม้เป็นของมันดาเก็บไว้ดังคนรักษาเรือนคลังก็เป็นปัจจิตีด้วยเพราะว่าไปรับฝาของกุัล เก็บไว้ในสัพพนี้ด้วยกระทํา ข, ของเช่นนั้นให้เป็นของของตัวแล้วจึงเก็บไว้ควรอยู่ถ้ามารัรดามมาฝากเอาไว้ก็เอาถือวิสาสะเลยเป็นของตัวเลยก็ไม่เป็นอบัติแต่ถ้รับฝากในฐานะ ร, รักษาดุลกรรมก็เป็นปัจจิตีก็แต่พระหัสกล่าวว่าท่านจงช่วยเก็บของนี้ไว้ถึงห้ามเสียว่าไม่ควรถ้าเขาโกรธทิ้งไว้แล้วไปเสียชื่อว่า เป็นกังวลอยู่ก็พึงเก็บไว้เถอดก็คือต้องเก็บไว้ถ้าเกิดเขาทิ้งเอาไว้ที่ต้องเก็บเดี๋ยวเขาถ่วงคืนไม่มีให้เขานี่ก็จะติดเตียนได้ช่างไม้หรือข้าราชการทําการในวัดอยู่เขาฝากเครื่องมือหรือที่นอนให้ช่วยเก็บไว้ให้ด้วยแต่พึงทําด้วยเห็นแก่หน้าหรือว่ากลัวจะแสดงที่เก็บไว้ให้ควรอยู่แล้วก็าฝากเขาให้เก็บบอกว่าเอาโยมไปเก็บที่นั้นก็แล้วกันยอมไปดูที่นั้นมีการเก็บได้ไหมให้รับผิดชอบเอาเอง แม้ในภายในอาราม ห, หรือว่าภายในที่พักอาศัยอยู่ในที่เช่นไรเขาจักรังเกียจว่าเชรอยพิกตุและธรรมเนมจะถือเอาของตกอยู่ในที่เช่นนั้นพึงถือเอาเองก็คือถ้าตกอยู่ในวัดเนี่ยนะเขาจะสงสัยหรือว่าเกิดรังเกียจได้ว่าพระวิษุถือเอาของไปในความให้เก็บเอาไว้หรือให้ผู้อื่นถือเอาแล้วนับหมายเก็บไว้แล้วพึงบอกว่าของผู้ใดาหายผู้นั้นจงมาเอาเถิด ถ้าผู้ใดมาพึงถามผู้นั้นว่าของอย่างไรของท่านหายถ้าเขากล่าวถูกตามหมายไซก็พึงให้ถ้าเขากล่าวไม่ถูกไซพึงว่าตะขาว่าท่านจงหาเอาเธอถ้าพิษุจะไปจากอาวาสนั้นพึงฝากไว้ในมือของพิษุผู้สมควรเมื่อพิสุเช่นนั้นไม่มีพึงฝากไว้ในมือของขราบดีผู้สมควรแล้วจึงไปก็แล้วพิุใดไม่ไปจากอาวาสและไม่เห็นเจ้าของเธอนั้นพึงเอาของนั้น ให้เขาทําเสนาสนะหรือเจดีหรือสกักบคอรัมีซึ่งเป็นของถาวรถ้าล่วงการนานไปเจ้าของมาไซพึงแสดงของถาวร น, นั้นว่าให้อนุโมทนาเอาเถิดเอาไปสร้างกุฏิวิหารสักบคอรัมีไปแล้วให้อนุโมทนานะถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขาทวงจะเอาไซจะเอาของก็คืนพึงยังผู้อื่นให้ถือเอาเป็นของของตนแล้วก็ใช้ของเข้าไปก็คือ บอกับใครก็ได้โดยโสดภัสร์ที่ปรนนาไว้นะว่าเนี่นะเอามีเรื่องอย่างนี้เขามาทวงเอาของก็คือแล้วทํายังไงเอาไปสร้างกุติวิหารแล้วถ้าเกิดใครก็เอากุติวิหารของตัวเองแล้วก็เอาเงินไปใช้นี่เอาของไปใช้ก็ได้นะของเขาตกในภายในอารามหรือที่พักอาศัยซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไม่ถือเอาเก็บไว้ด้วยไม่เอื้อเฟือเป็นทุกกฎถ้าของตกแล้วก็ไม่เก็บเอาไว้ถ้าตกในวัด ไม่เก็บเอาไว้นี่ต้องอาบัตุ ก, กฎของเขาตกในที่ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตถือเอาเก็บไว้และของใดซึ่งเป็นอามาศควรถูกต้องได้ถือเอาของนั้นด้วยคุ้นเคยหรือทำให้เป็นของยืมหรือถือเอาด้วยบางสุกุลสัญญาและติกตุบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติสิกขาบทข้อนี้เป็นสารติกะใช้ให้เขาเก็บนอกวัดก็เปน้ำผัดเหมือนกันใช้เขาเก็บ แต่ในวัดเราเก็บเองก็ได้ใช้ไหนเก็บก็ได้ไม่มียบัตรมีองค์สี่ก็คือใช่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตหมายถึงว่าไม่มีเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเลยข้อที่สองเป็นของของผู้อื่นก็อที่ า, ไ, ามไม่มีความถือเอาด้วยวิสายะและบางสกุลสัญญาข้อที่สี่ก็คือถือเอาเองหรือว่าให้ผู้อื่นถือเอาของนั้นพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาจิตตีสุบัติฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสัญญาดิสกาบทนะซึ่งก็เป็นการชักซื่อนี่สุบัติฐานหก ทั้งหกเลยกายอย่างหนึง่งวาจายอย่างหนึง่งกายวาจายอย่างหนึง่งกายจิตอย่างหนึง่งวาจาจิตอย่างหนึง่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึง่งเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกขจิตตะปะนันนติวชัชระกายขบัชีการจิตสามเวทนาสามต่อไปในวิการละคามะเปะเวสนะสิกขาบทที่สามความว่าพิสุใดไม่บอกกล่าวลาพิกสุอื่นที่มีอยู่ดังกล่าวแล้วในจาริตสิกขาบท เข้าไปบ้านในเวลาวิการคือตั้งแต่ล่วงเที่ยงแล้วจนอารุณ์ขึ้นมาถ้าบ้านล้อมล่วงที่ล้อมเข้าไปถ้าบ้านไม่ได้ล้อมก็ล่วงอุปจาระบ้านเข้าไปในเท้าแรกเป็นทุกก์ในเท้าที่สองก็เป็นป่าจิตตีเว้นแต่กิจรีบด่วนคือเพื่อพิจุด้วยกันถูกงูกัดถา้าแม้มากโดยกันจะเข้าไปในบ้านด้วยการสิ่งหนึ่งสิ่งใดไซ ทั้งหมดพึงบอกลากันและกันถ้าเกิดเข้าไปบ้านพร้อมกันหลายๆรูปก็ต่างคนบอกลากันก็ได้จะไปทํากิจในบ้านอะไรต่างการหรือว่างานในบ้านยังไม่สาเร็จจะไปบ้านอื่นกิจซึ่งจะลาอีกไม่มีถ้าแลเมื่อดํารับอุตสาหานั้นแล้วเดินไปวิหารอยู่ก็คือเสร็จเรื่องราวงานต่างๆแล้วจะไปวิหารอยากจะไปบ้านอื่นในระหว่างทางไซต์ต้องบอกลาเป็นแท้ถ้ามีทิจูอยู่นี่นะฉันในเรือนตระกูลหรือว่าในโรงฉันแล้ว อยากจะไปเที่ยวบินธบาตน้ำมันหรือว่าส ป, ปิคือในไทยเนี่ยถ้าที่ตุข้างซ้ายข้างขวามีอยู่ซ้ายพึงบอกลาเมื่อไม่มีพึงคิดว่าไม่มีที่ตุแล้วก็ไปเถิดครั้นลงถนนแล้วแม้เห็นที่ตุกิดซึ่งจะลาก็ไม่มีก็แล้วหนทางใดไปกลางบ้านเมื่อเดินไปตามทางนั้นถ้าจิตคิดว่าจะเที่ยวบินธบาตน้ำมันเป็นต้นเกิดขึ้นซ้ายเห็นที่ตุข้างซ้ายข้างขวาพึงบอกลา เมื่อไม่แวะออกจากทางเดินไปกิตถึงจะบอกลาไม่มีคำบอกลานั้นดังนี้ว่าวิกาเลคามะประเวทนังอาปุจฉามิบอกเป็นภาษาไทยว่าเราบอกการลาเข้าไปบ้านในเวลาวิกานี่เป็นคำบอกลาในวิกาเป็นติกะปะจิตตีถ้าเป็นในการสําคัญว่าวิการหรือว่าเคลื่อนแคลงอยู่ก็เป็นทุกข์รู้อยู่ว่าเป็นการเช้าก็เป็นอนาบัติ มีการดวนหรือว่าบอกลาทิกตุที่มีอยู่หรือทิศตัไม่มีไม่บอกลาเข้าไปหรือไปอารามในระหว่างบ้านและที่อยู่นางพิกษุณีหรือที่อยู่ของเดริญถีโรงฉันแห่งใดแห่งหนึ่งก็ดีหรือเดินไปตามทางที่ไปตามระแวกบ้านหรือมีอันตรายและทิศตุวบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติทิ่ข้ขอความนี้เป็นอนานติกะใช้ให้ เข้าไปในบ้านในวิการนี้บอกลาเขามีเป็นอบัติหลักคนใช้มีองค์สามก็คือไม่บอกลาที่ตัที่มีอยู่หนึ่งไม่มีเหตุซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตหนึ่งเข้าไปบ้านในวิการหนึ่งพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปาจิตติตมวบทฐาวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกัณฑ์ทุกขะบทก็คือสมวบทฐานสองกายวาจายอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกขะบทนี้เป็นกิริยากิริยะกริยากิริย ะ, ยะเป็นทั้งทำแล้วก็ไม่ทํา ทำการเข้าบ้านในรายการนะครับไม่บอกลาก็คือเป็นอาคิริยา น, นั่นเองเป็นโนสัญญมิโมกอาคิติกะปานนตะิวัชชะกายกรรมอจิกรรมมีจิตตามามีเวทนาฐานต่อไปในสู่จิคระติขาพบทที่สี่ความว่าเิกสุใดทําเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําซึ่งกล่องเข็มแล้วด้วยกระดกูกหรืองาหรือว่าเขาในประโยคที่ทาอยู่ก็เป็นทุกกฏ ทำแล้วได้มาก็เป็นเพดานกาศปาจิตตีจะต้องปล่อยกล่องเข็มนั้นเสียแล้วจึงจะแสดงอับตะตกนี่ก็เป็นเจตุกะพาจิตตีข้อนี้เป็นเจตุกปพาจิตตีก็คือตนทําค้างอยู่แล้วก็ตนทําเองให้เสร็จตามก็เป็นอับตะพาจิตตีตนเองทําค้างอยู่ตนเองทําให้เสร็จตามหรือว่าให้ผู้อื่นทําเสร็จตามหรือว่าผู้อื่นทําค้างอยู่ตนเองทําให้เสร็จหรือว่าใช้ผู้อื่นทําให้เสร็จตาม ทั้งสี่อย่างนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มาก็เป็นปาจิติทั้งนั้นทำเองหรือให้ผู้อื่นทำเพื่อคนอื่นก็ดีและคนอื่นทำได้มาบริโภคก็ดีเป็นทุกกฎได้ของคนอื่นมาก็เป็นทุกกฎนั้นใช้ไม่ได้ทำลูกดุมและธนูไม้สีไฟและลูกทวินและกระบอกยาตาและไม้ด่ามยาตาไม้ด่ามมั้งและทธรระกรกเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วด้วยกระดูกเป็นต้นก็ดี และพิจูบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัตเป็นอาณาบัตสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นสารนิติกรรมใชใ้เขาทําก็เป็นอบัต ด, ด้วยมีองศางก็คือเป็นกล่องเข็มหนึ่งแล้วด้วยกระดูกเป็นต้นหนึ่งทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําเพื่อตนได้มาหนึ่งทำด้วยกระดูกก็ตามงานปรตามเขาก็ตา ม, าตามพร้อมดองศางนี้ก็เป็นอบัตประจิตตี 10, สมุทฐานวิธีก็เหมือนกับสัญเจริญตัสิกขาบทก็สมุทฐานหกต่อไปก็สมุทฐานหกทั้งนั้นเลย ในเฉตนกกะสิกขาบทที่ห้าความว่าทิพสุเมื่อจะทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทำซึ่งเตียงหรือตังพึ่งทำให้เท้าสูงแปดนิ้วด้วยนิ้วสุขตเว้นไว้แต่แม่แกร่บึ้งต่าเมื่อทางเท้าให้สูงกว่าประมาณนั้นไปก็เป็นเฉดาน ก, กนปะปาจติตตีจะต้องตัดเท้าให้พอประมาณก่อนจึงจะแตงอบัตโตตังนั้นรีไม่ยาวนักดังเตียง ไม่สี่เหลี่ยมดังอาสันธิอาสันทินี้สี่เหลี่ยมตังนี้จะสั้นกว่าเตียงแต่ว่าก็จะยาวกว่าอาสันทิอาสันธินี้สี่เรี่ยมดังนั้นรีนะรีไม่ยาวนักให้ขอซ้ำให้พอประมาณหรือว่าเกินประมาณได้มาแต่ว่าตัดเสียให้พอประมาณและฝังลงไปในพื้นให้เหลืออยู่พอประมาณหรือทำเป็นเพดานผูกเป็นร่างร้านบริโภคก็ดี แมไปจูบบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นอนาบัติคือไม่เป็นอาบัติมีองคศอก็คือเตียงหรือตังร่วงประมาณหนึ่งทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําเพื่อตอนแล้วได้มาหนึ่งพร้อมด้วยองศานี้ก็เป็นปาจิตติไม่ได้ใช้ก็เหมือนกับสูจิคระนะมีคุณุตรฐานหกเหมือนกันนี้ก็เป็นสาหัติกะด้วยใช้คนอื่นทําได้มาก็เป็นอาบัตเหมือนกันต่อไปตัวโลนัทธสิกขาบทที่หกความว่า ทิ้สุดายทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําซึ่งเตียงหรือตังหุ่มนุ่นข้างในเป็นอุดดาลนากะปาจิตตีต้องเลิกนุ่นออกเสียก่อนจึงแสดงอาบัติตกในอาโยคะก็คือภารัดเขา่าและประคตสายโยกบาทและถุงบาทผ้ากรองน้ําหมอนเหล่านี้ยัดนุ่นไม่มีโทษจีงตังคนอื่นทําหุ่มนุ่นได้มาแล้วก็เลิกก็คือรือเสียบริโภคบดีและพิจูบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัติ สิกขาบทข้อนี้ก็เป็นสารนิติกะเหมือนกันมีองศสองก็คือเตียงต่งหุ้มนุ่นอย่างหนึ่งทําเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําเพื่อตนแล้วก็ได้มาอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองค์องนี้ก็บัตรประจุตีนสุตรฐานก็หกเหมือนกันวิจัยรองนี้ก็เหมือนอย่างเดิมต่อไปในนิสิธนะสิกขาบทที่เจ็ดความว่าทิกสุจะทําเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําซึ่งนิสิธนะผ้าสําหรับรองนั่งพึงทําให้ กรอบด้วยประมาณประมาณนั้นโดยยาวสองคืบได้วกว้างคืบครึ่งชายอีกคืบหนึ่งด้วยคือพระสุคตเมื่อทำให้กว้างยาวเกินนั้นไปต้องเฉดหน้นกะปราจิ ต, ตีตัดเสียให้พอประมาณก่อนจึงจะแสดงอบับ ต, ตะกนี้สีธนะนั้นเป็นผ้ารองนั่งอย่างหนึ่งมีชายด้วยชายที่ลาดลงดังสันสัตวแล้วผ่าเข้าไปสองแหงในที่ตุดข้างหนึ่งสักคืบพระสุคตทาให้เป็นสามชาย ทำให้พอประมาณห ร, ร, หรือว่ า, าย่อนกว่าประมาณและคนอื่นทำเกินประมาณได้มาตัดเสียให้พอประมาณแล้วบริโภคจะเอาทำเพดานเป็นต้ น, น, week, นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีและที่จุบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นอนาบัติสกาบทความนี้ก็เป็นสารนักจิกะใช้คนอื่นทำก็ได้มาเป็นอนบัติเหมือนกันมีองคศอก็คือผ้านิสิตนะนั้นร่วกประมาณอย่างหนึง่งทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทำแล้วได้มาอย่างหนึง่งพร้อมที่องคศานี้ก็เป็นปาจิตตีไม่ได้ใช่นอกนี้ก็เหมือนกัน ก็คือสมุทฐาน6กต่อไปกันดุปฏิตฉาดิสิกขาบทที่แปดความว่าพิกสุทธาเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นทำซึ่งผ้าปิดฝีพึงทำให้กรอบด้วยประมาณประมาณนั้นโดยยาวสี่คืบกว้างสองคืบด้วยคืบพระสุคตทำให้กว้างยาวกว่านั้นต้องเฉดนาคะปาจิตตีตาเสียให้คอประมาณก่อนจึงแสดงอาบัตตกท้าปิดฝีนี้พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตแจกพิสุ ซึ่งเป็นหีดเป็นสีแผลเปลือ่อยแล้วก็ใต้กระดือลงมาเหนือเข่าขึ้นไปเพื่อจะปิดแผลเหล่านั้นจาวประท้อนนี้ก็เป็นสานิติกรรมสุบทานหกเหมือนกันสุบทานหกก็คือกายอย่างหนึง่งวาจาอย่างหนึง่งกายวาจาอย่างหนึง่งคนนี้อาชิตติกะสามอย่างแรกกายจิตอย่างหนึง่งวาจาจิตอย่างหนึง่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นโนสัญญาวิโมกอาชาอิตติกะปั้ณติวัชระ ไปกรรมจีกันจิตสามเวทนาสามกันเป็นกิริยาเพราะว่าธรรมถือว่าได้มาไม่ตัดเป็นกิริยาต่อไปในวัต ส, สิกสาธิกาสิกาปะทิกาความว่าเพี้ยกตุวทาเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําซึ่งวัตสิกาสาติกาถ้าอาดน้ําฝนพึงทําให้กรอบด้วยประมาณประมาณ น, านั้นโดยยาวหกคืบกว้างสองคืบครึ่งด้วยคือพระสุคตทําให้กว้างยาวกว่านั้น ต้องเฉดนกะปาจิตตีตัดเสียให้พอประมาณก่อนแล้วจึงแสดงอาบัตตกก็ขุ้นฐานหกเหมือนกันต่อไปในนันทสิกขาบทที่สิบความว่าภิกสุใดทําเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําซึ่งจีวอนใหญ่ประมาณเท่าจีวอนของพระสุคตหรือเกินกว่านั้นต้องเฉดนกะปาจิตตีตัดเสียให้ตามกว่าประมาณจีวอนของพระสุคตจึงแสดงอาบัตตกประมาณแห่งจีวอนของพระสุคตนั้นโดยยาวเก้าคืบ โดยกว้างหกคืบด้วยคืบพระสุคตวินิจัย น, นอกนั้นทั้งปวงในสามธิขบทนี้ก็พึงรู้โดยในดังกล่าวแล้วในนิสิตนะธิขบทนั้นเถิดก็คือสุตฐานก็หกเหมือนกันในนิสิดนะนีิก็มีสุตฐานหกเป็นกิริยาโ น, โ น, โนโอสัญญมหกอจิตตกะปานติวัชะปิการมจีกามสิทสามแล้วก็เวทนาสามถ้าสมังธิขบทีข้อที่สิบจบ นวโมวะโคในวัดที่เก้านี้จบลงแล้วธติกรรมปฏิเตีทั้งหมดจะกล่าวประมาณตามคำพีสุขตะวิทัตธิวิธานประกรณคือพระสุกสนั้นสิบหกนิ้วกับสองอนุกระเบียดแห่งช่างไม้ทุกวันนี้แั่ก็มีขนาดเท่ากับสิบหกนิ้วกับสองอนุกระเบียดแต่ว่าก็ต้องดูว่าคำพีอื่นไว้ยังไงเพราะมีหลายคมภี้วเทียบเคียงกัน อันนี้เขาบอกว่าเป็นสุขศวิทย์ถิก็คือคืบพสัสดตส่วนเท้าเตียงตั่งก็จะยาวสิบนิ้วกับสามกระเบียดช่างไม้ทุกวันนี้แต่นี้วเท้าสุคตก็เท่ากับสิบนิ้วกับสามกระเบียดช่างไม้นี่สีธนปะปลายาวแปดนิ้วกับกระเบียดหนึ่งกว้างสอบหนึ่งกับสามอนุกระเบียดชายคืบสี่นิ้วกับสองอนุกระเบียดแห่งช่างไม้ทุกวันนี้ ผ้าปิดสียาวสองซอกคืบกับสี่นิ้วกับสองกระเบียดกว้างแปดนิ้วกั บ, บ, นนาา บ, บกระเบียดหนึ่งแห่งช่างไม้ทุกวันนี้ผ้าอาบน้ําฝนยาวสี่ซอกสามกระเบียดกว้างสองคืบสี่นิ้วกั บ, บ, ก, บกระเบียดห น, นึ่ง ก, กั บ, นกบอนุกระเบียดหนึ่งแห่งช่างไม้ทุกวันนี้ผ้าสุขกีวรก็ยาวหกซอกกับนิ้วหนึ่งกับสองอนุกระเบียดกว้างสี่ซอก กับสามกระเบียดแห่งช่างไม้ทุกวันนี้กระเบียดหนึ่งนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งชื่อว่าอานุกะเบียดนนี้ก็เป็นสุวนที่กิดปรารจิตติจบแล้วสุวนที่กิดปรารจิติยะวันนานานิทิตาต่อไปก็จะเป็นการพันนณนาสิกขาบทแห่งปาติเดสนิยะแปลว่าปาติสยาบัตปาติเดสนิยาบัตานั้นมีสิกขาบทสี่ สิกขาบท ด, ด้วยกันสิกขาบทแรกความว่านางภิกตุนีอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายผู้ที่มิใช่ญาติอยู่ในละแวกบ้านมีตรอบเป็นต้นถวายของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นอาบิรด้วยมือของตนภิกตุได้อยู่ในบ้านหรือว่าในที่อื่นก็ตามรับแต่มือของนางภิกตุนีนั้นด้วยมือตนเพื่อจะฉันเป็นอาหารเป็นทุกกฎพระรับ กลืนกินต้องอาบัตปาติเดสัญญาทุกคำกคืนเลยสิกรรารบทข้อนี้ก็ส ม, มุทฐานเหมือนกับเอรักโรมะส ม, มุทฐานกายอย่างหนึง่งกายจิตอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกขจิตตกะตันติวะชะกายกรรมมีจิตสามเวทนาสามในสิการบทที่สองของปฏิเดสัญญะความว่าภิกษุทั้งหลายมากด้วยกันทายกนิมนต์ด้วยโภชนะห้าสิ่งในสิ่งหนึ่ง ฉันอยู่ในตระกูลในตระกูลนั้นถ้ามีนางพิกสณีมายืนหรือมาสั่งเสียขายกเตือนขายกให้เติมแกงเติมข้าวสุกแก่พิกจุตามมิตรตามเสหายพิกจุทั้งหลายพึงขับนางพิกสณีนั้นให้ไปเสียกว่าจะาฉันแล้วถ้าแม้พิกจุแต่องค์หนึ่งไม่ขับเสียไ้ก็คือไม่ไล่นางพิกสณีออกไปเนี่ยนะว่าเธอจงหลีกไเสียตลอดเวลาที่พิจุฉันอยู่เนี่ยครั้นเธอทั้งหลายรับอามิตรเพื่อจะกลืนกินเป็นทุกข์ก็ทรับ กรืนกินก็เป็นปาติเดสัญญาทุกคำกลืนเลยแต่ว่าสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นกระสินทุทฐานคนละสมุทฐานเราพัแรกก็คือมีสุทฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งกับกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาด้วยอาิริยาด้วยโนสัญญาวิมโมกขจิตตกะปันติวัชะอิจกรรมจีกรรมจิตสามเวทนาสามต่อไปสิกขาบทที่สามความว่าตระกูลใดเป็นโสดาบันสงให้เศคารส ม, มุติด้วยยติทุติย ก, กรรมวาจาแล้ว ที่สู่ดอยเขายังไม่ได้นิมนต์ก่อนแต่ลงสู่อุปจาระเดือนและไม่เป็นไข้ลงสู่อุปจาระเดือนรับอา m i ต h ในเสขะตระกูลนั้นเป็นทุกข์เพราะรับก่อนรับแล้วฉันในที่อันใดอันหนึ่งต้องปาฏิเตดชนญยทุกคำคลืนเลยอันนี้ก็สมุทฐานก็เหมือนกับปฏิเดชนญยะแรกเป็นเอรักโรมสมุทฐานมุทฐานสองกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่ง เป็นจิรยาโนโยสัญญมิโมอกอจิตตาปันติวัชะกายกรรมแล้วก็เจ็ดสามเวทนาสามต่อไปในสิกขาบทข้อที่สี่ใหปาติเดสัญญานี้ความว่าอารันยิกาเสนาชนะคือวัดป่าอันได้ก่อไปด้วยความรังเกียจและภัยดังกล่าวแล้วในสาสันติสิกขาบทก็คือมีโจรคอยซ่องสองมทมร้ายคนอื่นอยู่เพี้ยกตูดายอยู่ในเสนาสนะนั้น ของเคี้ยวของฉันอันใดซึ่งสตรีบุรษุษกระหัสและนักบวชผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่ได้เข้ามาอารามหรืออุปจาระอารามบอกให้รู้แจ้งว่าตระกูลชื่อนี้จกนำของมาถวายดังนี้ก่อนเธอไม่เป็นไข่รับของนั้นในอารามหรือว่าอุปจาระอารามเพื่อจะกลืนกินเป็นทุกข์กดพระรับกลืนกินก็ต้องปฏิเจริญยะทุกข์คกลืนเลยสุบตฐานข้อนี้ก็เป็นกสิณสุตฐานหึงกัน กายวาจาแล้วก็กายวาจาจิตกิริยากิริยะโลสัญญาวิโมกขจิตตกาตันนติวัชชะกายกรรมจีตก ร, ต ม, กตกรตมแล้วก็จิตตามเวทนาสารอาบัตปาติเดสัญญาในสี่ที่ข้าบทนี้คาแสดงในเบื้องต้นว่าดังนี้คารัยหัง่งอวุโสหรือว่าคารัหังพันเตทำมังอาปะชิงอสัพพยังปาติเดสริยัง่างปาิเดเทมีตินะครับเจ้าต้องทําที่นาติไม่เป็นที่สบายควรจะแสดงคืนกับเจ้าขอแสดงเคืนทํานั้น ถ้าหลายองค์ก็บอกว่าปาติเดเสมะแทนปาติเดเสมิเป็นคําไทยก็ว่าข้าพเจ้าได้ต้องซึ่งทำอันข้าพุทธเจ้าพึงติเตียนไม่เป็นที่สบายชื่อว่าปาติเดสนิยะจะพึงกรับแสดงหรือว่าจะพึงแสดงเฉพาะข้าพเจ้าแสดงทำนั้นคําถามคํารับต่อไปก็เหมือนกับการแสดงอับบนบตอื่นๆนะ้นท่านเห็นหรือข้าพเจ้าเห็นอยู่ขอท่านจงระวังสํารวมต่อไปข้าพเจ้าก็จะระวังสํารวมต่อไปอันนี้ก็ชื่อว่าปาติเดสนิยะวันนานา น, านิติตาจบปาติเดสนิยะแล้ว ต่อไปก็ทุกตาบัติในเตรษฐยะซึ่งก็จะต่อในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้จัดทาอันเป็นปัจจัยในการที่จะรักษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะเรื่องของปาฏิโมกต์อังวอนทุนดับพระบิณฑุก็จะเป็นฐานที่ตั้งอันมั่นคงเพราะว่าเป็นปากทางที่จะทําให้พ้นจากอายภูมิถ้ารักษาปาฏิโมกไม่ดีก็โอกาสอายภูมิก็มีได้เหมือนกันแล้วก็รักษาปาฏิโมกเพืพ่อเป็นปัจจัยแก่ทีนีกสมอย่าง ให้ปฎิบุนยิ่งขึ้นก็คืออินเรียสังวรศีนอาชีวประิสติศีลแล้วก็ปัจจะยะสันนิสติศีลรักษาให้ละเอียดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่สมาธิแล้วก็ปัญญาขอให้ได้บรรลุอริยสัจธรรมตาชรู้เป็นตาวุของพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันเธอสาธุสาธุสาธุ